หลายคนตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดใสชื่นบานกับวันก่อนๆ น, นะเพราะว่าจะได้กลับบ้านแล้วอคิดถึงบ้านมาหลายวันแล้วนะแต่ว่าเมื่อกลับถึงบ้านหรือก่อนจะเดินทางกลับบ้านอย่าลืมว่ามันมีบ้านที่ประเสริฐกว่าบ้านที่รอเราอยู่ บ้านที่ราเราอยู่หรือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้เนะี่ยเป็นบ้านของกายนะสร้างด้วยอิฐก่อด้วยปูนแล้วก็เป็นบ้านที่ไม่ได้มีความยั่งยืนอะไรเท่าไหร่หมายความว่าต่อไปแล้วก็จะย้ายบ้านมีบ้านหลังใหม่มาแทนที่และบ้านที่ก่อด้วยอิฐนะสร้างด้วยปูนเนี่ยอาจจะให้ความ ปลอดภัยกับเราก็จริงนะแต่บ่อยครั้งเนี่ยมันก็แค่คุ้มครองรักษากายของเราให้ปลอดภัยแต่ว่าจิตใจนั้นอาจจะรุมร้อนเป็นทุกข์ก็ได้อาจจะรุมร้อนเป็นทุกข์เพราะว่าตัวบ้านนั่นเองนะยังผ่อนไม่หมดนะหรือว่าทุกข์เพราะว่าบ้านหลังเล็กสู่บ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันไม่ได้ เหลือจะทุกข์เพราะบ้านเสื่อมโทรมจะต้องรือ้อจะต้องซ่อมขนาดใหญ่ต้องใช้เงินมากพอคิดแล้วก็หนักใจมันยังไม่ใช่เป็นบ้านที่จะให้ความสุขให้ความสงบเย็นกับเราอย่างแท้จริงนะหลายคนอยู่บ้านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ร้อนนอนทุกข์ อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้หลายคนนะมาที่นีนะ่อยู่บ้านร้อนเพราะมันะมเป็นแค่บ้านสําหรับกายนะความสุขสบายก็สุขสบายกับกายเท่านั้นแหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจได้มีนําซ้ําอาจจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์นะความกลัดกลุ่มของเราด้วยซ้ําก็ได้นะ แต่บ้านอย่างนี้เนี่ยมันก็ถูกคนม า, ารุมเล่นงานมายึดมาครอบครองออกไปก็ได้ยิ่งกว่า น, นั้นนะถึงแม้จะเป็นบ้านที่ดีที่อบอุ่นนทุกอย่างดีเยี่ยมหมดอยู่แล้วสบายใจแต่พอออกจากบ้านนั้นไปมีธุระต้องเดินทาง ต้องไปอยู่ถิ่นอื่นนะก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาคิดถึงบ้านไม่รู้สึกมั่นคงอบอุ่นนะก็เป็นทุกข์อ่แบบหนึ่งนะอันนี้เราทุกข์เพราะความพัดพรากนะให้เราเลิกถึงบ้านที่ประเสริฐกว่านั้นแนะสวงหาบ้านที่ประเสริฐกว่านั้นซึ่งตลอดหกเจ็ดวันที่ผ่านมา เราก็คงจะรู้จักหรือว่าสัมผัสแบบประพมพ์ประพายนะบางคนก็อาจจะประจักษ์อย่างชัดเจนอันนั้นคือความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวนี่เป็นบ้านที่ประเสริฐของใจนะที่บ้านซึ่งก่อโดยอิดสร้างไดยปูนนี่ก็ไม่อาจจะม า, าทดแทนหรือว เทียบเคียงได้เพราะว่าเ mm hmm. มืม่อเป็นคาสุขตัวแล้วเนี่ยใจก็ปลอดโปร่งนะเบาสบายความทุกขนะ์ความโกรธความเศร้าความอาลรอาวร์ความครับแค้นใจก็นะเข้ามาบีบคั้นนะเผาล้นเล่หงานจิตใจได้ยากผู้ชาวตรัสว่า บุคคลเมื่อมีความรู้สึกตัวอยู่อกุิศรกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอคตศรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปส่วนกุติธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นบุคคลเมื่อมีความรู้สึกตัวอยู่ความรู้สึกตัวนั้นจําเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่นไม่เลือเล่อนเรือนไม่อนตรธานแห่งพระสัตรธรรมพระสัตรธรรมอันนี้ก็แปล ง, ง่ายๆก็คือ คุณธรรมความดีความเจริญงอกงามนะอันนี้ท่านหมายถึงพระสัตว์ธรรมในจิตใจนะงันถ้าเรามีความรู้สึกตัวนะก็มั่นใจได้ว่ากุศลธรรมหรือว่าสิ่งดีงามที่ทำความเจริญงอกงามให้กับชีวิตนะก็จะเกิดขึ้นนะกับใจของเราถ้าว่าเราเอา ความสึกตัวเนี่ยเป็นบ้านของใจอยู่ที่ไหนนะก็อ บ, อบอุ่นนะไม่มีความสึกเหงานะไม่มีความสึกอาลัยอาวรณนะ์เป็นบ้านที่ไม่มีใครจะแย่งชิงได้นะแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องทุกข์เพราะว่าไม่ต้องใช้เงินใช้ทองในการที่จะรักษาหรือประคับประคองเอาไว้เอาเรามา ที่นี่นะก็ควรจะได้พบนะรู้จักกลับบ้านอย่างนี้เอาไว้นะแล้วเมื่อเดินทางกลับบ้านของเรานะก็อย่าลืมนะเอาบ้านที่ว่านี้บ้านของใจติดไปด้วยแล้วก็สร้างใหม่นะทำให้เข้มแข็งมั่นคงเพราะว่า บานชนิดนี้ก็เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆในโลกก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันแปลเปลี่ยนไปได้ก็เห ม, มือนกับต้นไม้นะต้นไม้เนี่ยถ้าเราดูแลเขาก็เติบโตถ้าเราไม่ดูแลเขาก็เหี่ยวเฉานะใหม่ๆเราก็ต้องดูแลต้นไม้รดน้ําพรวนดินนะต้องรักษาดูแลเขาแต่พอเขาโตเนี่ยเขาก็จะช่วยปกป้องรักษา เราด้วยนะความรู้สึกตัวก็เหมือนกันนะใหม่ๆเราก็ต้องดูแลเขานะประครับประคองแต่ว่าพอความรู้สึกตัวเจริ ง, งอกงามเนี่ยก็จะมารักษาดูแลปกป้องเราในข่ะที่เรายังมีเวลามีกำลังวังชามีสุขภาพดีนะก็ควรจะรีบนะหาบ้าน ชนิดนี้ให้กับจิตใจแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราลังรอผัดผ่อนคิดว่าตัวนี้ฉันก็สบายดีอยู่แล้วนะฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วไอ้บ้านชนิดนี้เอาไวท้ทีหลังอันนี้ก็เรียกว่าประมาทนะเพราะว่าเราก็ไม่หลุดหลอกว่าเราจะไปไปเจออะไรข้างหน้าที่ทำให้เราเนี่ยเรียกว่า เสียศูนหรือว่าเสียผู้เสียคนเพราะว่าถูกบีบคั้นด้วยเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นประสบกับความพัดภาคสูญเสียหรือว่าประสบกับสิ่งที่ไม่ไม่รักไม่พอใจพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจอย่างที่เราสวดมาสักครู่พอมันเกิดขึ้นแล้วนี่นะโอกาสที่จะสร้างความรู้สึกตัวนี้ยากนะเพราะว่ามันถูก อารมณ์ต่างๆครอบงาความโศกความร่ำไรลารพันความไม่สบายใจความขับแค้นใจถึงตอนนั้นเนี่ยจะสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาโหยากเลยหรือไม่ก็พอแก่ตัวพอแก่ตัวเนี่ยนะความรู้สึกตัวมันสร้างยากนะถ้าเราไม่ทํอย่าตอนนี้แล้วคงจะเห็นคนแก่อรอบตัวบางทีก็อยู่ในบ้านเรานี่แหละ พอแก่ลงนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างนะมันก็จะค่อยนะเกาะกลุ่มจิตใจแน่นหนาขึ้นเช่นความโกรธความหงุดหงิดนะตอนที่ยังไม่แก่นี่ก็อาจจะไม่แสดงอาการมากนะแต่พอเริ่มแก่ตัวกำลังวังชาอ่อนลงไอ้กำลังของกินเล็บมันไม่ได้อ่อนลงไปด้วย กำลังของอพฤติกรรมบางอย่างที่ใส่บางอย่างมันไม่ได้อ่อนลงไปด้วยมันแข็งแรงกว่าเดิมบางคนก็บนหนักขึ้นนะบางคนที่เคยห่วงลูกพอแก่ตัวก็ห่วงหนักขึ้นนะัวไม่เป็นอันทําอะไรนะต่อไปถ้าเราแก่ตัวเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ทําอะไรไม่สร้างความรู้สึกตัวตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนนั้นมันจะสร้างได้ยาก บางคนมีปมบางอย่างในชีวิตมีความเจ็บช้ำบางอย่างที่ผ่านมาไอ้ตอนหนุม่มตอนสาวก็ยังพอพอคุมมันได้แต่พอแกแล้วโอ้พูดทุกวันนะบ่นทุกวันบ่นวันละหลายครั้งนะจนลูกนะจนหลานนี่ลาคาญบางทีก็บ่นถึงอ่านะสามีที่นอกใจผ่านมาสามสิบปีแล้วก็วยังไม่เลิกบน่น วนถึงคนที่ในละคณนะผ่านไปสิบยี่สิบปีแล้วก็ยังพูดอยู่นั่นแหละทำให้เกิดความขับแค้นนะเกิดความโกรธมันกลายเป็นว่าชีวิตนี้บั้นปายแล้วนี่หาความสุขได้ยากใ้ถึงตอนนั้นเนี่ยนะจะสร้างความรู้สึกตัวเพื่อเปิดเปิื้องอารมณ์เหล่านั้นนี่มันยา ก, ก น, นะ ยังไม่ต้องพูดถึงว่าพอเป็นอัลไซเมอร์นี่หมดเลยนะเดีย๋ยวนี้เป็นกันเยอะเนะี่ยบางทีหกสิบก็เป็นกันแล้วอัลไซเมอร์แจะต่อไปเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่สร้างความสึกตัวแต่ตอนนี้นี่มันก็อาจจะเร่งไอ้ความไอ้โรคนี้ให้มันเป็นกับเราได้เร็วคือหรือว่าเป็นได้ง่ายขึ้นก็ได้ไม่ต้องพูดถึงความตายนะซึ่งจะตายเมื่ อ, อไหร่ก็ไม่รู้ถ้าตายเมื่อ เมื่อไหลเนะี่ยเมื่อนั้นก็หมดโอกาสแล้วให้การสร้างความรู้สึกตัวดยการทําคุณงามความดีสร้างประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นมันก็สิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นในขณะที่เรายังมีสุขภาพดีมีกําลังวังชาแล้วชีวิตของเราก็ยังเรียกว่าไม่ไม่ได้เกิดวิกฤตนะยังราบรื่นพอสมควรก็เร่งสร้างความรู้สึกตัวไว้นะทำความรู้สึกตัว นะถึงตอนนั้นเนี่ยพอเกิดวิกฤตกับชีวิตเกิดความวุานวายความรู้สึกตัวนั่นแหละจะมาช่วยเราได้เวลาเจออะไรมาก็ทบแรงแรงนะมันก็สามารถจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะอย่างที่บอกนะมันเกิดขึ้นเมื่อนะจิตเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างเวลาเรา นั่งฟังคำบรรยายแบบแบบนี้เนะี่ยบางทีใจเราก็ลอยบางนิดตอนนี้บางคนคิดไปถึงบ้านแล้วคิดไปนึกไปถึงพ่อแม่นึกไปถึงลูกแล้วบางคนก็นึกถึงงานสมมติว่านึกถึงงานเข้าจิตใจก็สึกหนักอึง้งรู้สึกวิตกกังวล น, นะตัวอยู่ตรงเนี้นะแต่พอใจนึกถึงงานแล้วเนี่ยจิตใจมันก็หนักถึงแม้ตัวสบายเบาอยู่ จูก็ได้ยินเสียงหัวเราะคนในศาลาที่หัวเราะกันพร้อมกันอ่ะจิตที่เคยทะเลยทะไ ล, ะไลนะ่ออกไปนึกถึงเรื่องงานการก็กลับมากลับมาที่ศาลาหอไตนี้คือกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวตอนนั้นแหละความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเพราความรู้สึกตัวเกิดขึ้นนะใอ้ความกังวลความหนักอกหนักใจเมื่อสักครู่นี้มันหายไปเลยเพราะว่ามันหยุดคิดแล้ว มันอยู่คิดเรื่องงานมันหยุดทะเลทลายไปนึกถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจิตมันกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเพราะว่าเสียงหัวเราะนในศาลมันเหมือนกับว่าเรียกเรียกจิตกลับมาเราจะเรียกว่าเรียกสติกลับมาก็ได้ตอนนั้นแหละที่ความรู้สึกตัวจะกลับมาเพราะจิตมันกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วมันไม่ได้ทะเลทลายออกไปอย่างอดีตอนาคต หรือว่าส่งจิตออกนอกพอความสึกตัวเกิดขึ้นนะไอ้ที่ความที่ฟุ้งซ่านไปมันหยุดนะจิตมันหยุดเองมันตายจากเราไปห้ามจิตให้มันหยุดคิดนะหลายคนเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ชอบให้ใจมันคิดก็ไปกดข่มความคิดหรือว่าไปบังคับจิตให้มันหยุดคิดอันนั้นียิ่งทำแล้วยิ่งเครียดทําแล้วก็จ ะ, ะเกิดความ มาทุกนะทั้งกายทั้งใจได้ง่ายจนบางทีทำให้ท้อไปเลยแต่ว่าวิธีเดียวกันนะั่นคือทำให้จิตมันหยุดเองมันหยุดคิดเองเพราะอะไรเพราะจิตมันกลับมาอยู่กับนกับตัวอย่างในกรณีนี้ก็เป็นเพราะมีเสียงหัวเราะดังขึ้นในศาลาหรือบางทีอาจปเพราะความเงียบก็ได้นะอย่างที่อาจารย์ออดได้พูดเมื่อวานผู้บรรยายก็บรรยายอยู่สักพักก็เงียบไอคนบางคนก็ใจลอยพอ รับรู้ได้ถึงความเงียบที่เกิดขึ้นนะจิตมันกลับมาเลยมันกลับมาที่ไหนมันกลับมาที่ศาลานี้มันกลับมาที่ปัจจุบันมันตอนนั้นแหละที่จิตกลับมาอยู่กันเดืยอกับตัวแล้วแลวความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไอ้ที่คิดฟุ้งซ่านใจลอยนี่มันหยุดเลยนะมันหยุดเองจิตมันหยุดเองเพราะว่ามันรู้สึกตัวก็เรียกว่ามีสติกลับมาก็ได้ที่จริงความรู้สึกตัวกับ ความสึกตัวกับสติที่มันเป็นเกลเอกันนะที่พูดว่าความสึกความสึกตัวเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าสติทาหน้าที่ระลึกได้สติมันทำหน้าที่ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่บางครั้งสติอ่อนแอไม่สามารถที่จะไวไม่สามารถที่จะลึกดล้ได้ไวหรือว่าไม่สามารถที่จะดึงจิตให้มันหลุดจากอดีตอนาคต หรือว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวบางครั้งก็ต้องอาศัยตัวช่วยนะตัวช่วยบางครั้งก็เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเราไม่ได้คาดคิดอะเช่นเสียงหัวเราะเนี่ยเสียงหัวเราะในศาลานะมันทาให้คนที่ใจลอยเนี่ยนะดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วกลับมารู้ตัวเสียงหัวเราะก็หมัอนก็เป็นตัวช่วยให้เรียกจิตกลับมา บางครั้งคำทักท้วงมันก็ช่วยนะให้เรามีสติเพราะบางครั้งเนี่ยอารมณ์ที่มันครอบงมใจเนี่ยมันมันเล่นงานเราจนกระทั่งเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวจะเรียกว่าหลงตัวลืมตนหรือว่าเมานะเมาอารมณ์ก็ได้คนเราไม่ได้เมาเหล้าอย่างเดียวนะถึงแม้ไม่กินเหล้าแต่ก็เมาอารมณ์ได้จะเป็นความโกรธความเศร้านะก็ตาม มีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นนายทหารนะไปรับลูกตอนเย็นนะลูกนี่เรียนโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพย่านชานเมืองเวลามารับลูกเนี่ยก็จะมีปัญหาคือรถติดแน่นขนาดเพราะว่าพ่อหรือแม่ผู้ปกครองนี่ก็ขับรถกันมาทั้งนั้นนะทางโรงเรียนก็เลยมีกติกาให้ให้รถเนี่ยเข้าทางเดียวออกทางเดียวนะคือคือวันเว แต่ว่าผู้คลองหรือนายฐานคนนี้เนี่ยแกไม่อยากจะไม่อยากจะเข้าทางประตูเข้านะเพราะว่ารถมันติดยาวมากก็เลยไปไปเข้าทางประตูออกนะรถไม่เคยเยอะพอเข้าทางประตูออกเข้านะก็ไปเจอที่จอดรถนะได้ที่จอดรถอย่างรวดเร็วนะเป็นที่จอ ด, ดรถหรือว่า อันสุดท้ายนะที่เหลืออยู่พอไปจอดเสร็จนะก็บอกว่ารถอีกคันนึงที่เขามาตามกฎกรามปฏิการนี่เขาเขาก็เล่งที่จอดรถนั้นไว้แล้วพอถูกแย่งชิงไปเขาก็ไม่พอใจเขาก็ลงจากรถมาต่อว่านายฐานคนนี้นายฐานค น, นตอนนั้นยังอยู่ในรถนะถูกต่อว่าก็ไม่พอใจแล้วก็เถียงกับ ผู้ปกครองคนที่มาต่อว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณทํากดทําผิดกฎนะนายฐานคนนั้นก็บอกผมไม่สนใจแล้วก็พูดว่ารู้ไม่มผมเป็นใครประโยคนี้สำนวนนี้เราคุณนะรู้ไหมผมเป็นใครรู้ไหมกูเป็นใครรู้ไหมกูเป็นลูกใครเนี่ยแสดงว่าใหญ่จริงๆนะผู้ปกครองคนนั้นก็ไม่สนใจเนะี่ยคุณทําไม่ถูกนะแล้วก็ว่าไปประโยคสองประโยคแล้วก็เดินออก นายท่านเขตั้งโกรธมากแนละ้วไม่เคยมีใครพูดกับตัวเองแบบนี้ในรถมีปืนก็คว้าปืนมาแล้วก็ลงจากรถเดินตามหลังผู้ปกครองคนนั้นตอนนั้นโกรธมากเลยแล้วเรานึกภาพวนะ่าตรงนึกภาพออกน้วว่าตำรวจนายทานนั้นกําลังจะทําอะไ ร, พระเพอ่อนนะมีพลเมืองดีเป็นเป็นพนัก ง, งานขับรถของโรงเรียนอยู่ตรงนั้นกแกก็ดีนะแกก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แล่ก็พร้อมจะเป็นพลเมืองดีด้วยพลเมืองดีล่ะมันต้องเป็นความต้องมีความกล้านะเพราะว่าหลายคนก็ตายเพราะว่าไปห้ามไปห้ามเนี่ยคนไม่ให้ทําร้ายกันให้คนห้ามตายซะเองเพราะว่าคนที่ถูกห้ามนี่กําลังโกรธพอถูกพอถูกใครมาขัดขวางนี่มันพร้อมที่ระบายความโกรธกลับไปยังคนนั้นแต่ว่าพนัก ง, งานนี่แกเป็นคนมี EQ นะ ความรู้แกไม่สูงแต่แกเป็นคนที่มีเข้าใจคนแล้วก็มีปฏิพันธ์หรือว่ารู้ว่าควรจะทําอย่างไรเด็กก็เดินไปแล้วก็ไปไปแตะไปแตะมือในฐานคนนั้นแล้วก็พูดขึ้นมาว่าท่านครับ ท, ท่านมารับรู้ไม่ใช่หรือครับพอพูดเท่านี้แหละนะได้สติเลยความโกรธที่มันอัดนัน่นเต็มหัวใจนี่มันหมดไปเลยนะ เพราะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาให้ตอนนั้นมันลืมตัวเลยนะเพราะความกลวธมันครอบงำแต่พอมีคนมามาทักมาท้วงอย่างสุภาพไม่ใช่บอกว่าท่านครับอย่าทำอย่าทำแต่ว่าพูดให้นึกถึงลูกรู้ตัวแล้วเอ้ยนี่เรากำลังมารับลูกนี่ว่าเราไม่ได้จะมาหาเรื่องกับใครแล้วเกิดเราไปทาอะไรใครเข้าเดี๋ยวลูกเราเดือดร้อนนึกถึงลูกขึ้นมา ความรู้สึกตัวเป็นกลับมาเลยนะความโกรธหายไปเลยพอรู้ตัววาตัวเองกำลังทําอะไรนี่โอ้เปลี่ยเลยนะหันหลังกลับเลยหันหลังกลับไปที่รถเอาปืนเก็บกลับไปรับลูกนะแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นนะไอ้ความความเมาความหลงความลืมตัวนี่มันหายไปเลยนะถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนนั้นมันจะมีกําลังแรงพร้อมที่จะฆ่าใครก็ได้ แต่ว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมานี่นะความโกรธหายไปเลยไม่ต้องไปกดข่มความโกรธนะัมันจิตมันหลุดจากความโกรธจิตมันวางความโกรธไปเองเพราะมันรู้สึกตัวที่วางก็เพราะว่าไอตอนโกรธเนี่ยมันลืมตัวนเะเพราะเผลอเพราะลืมตัวนี่แหละความโกรธความเศร้าหรืออารมณ์อกุศลต่างๆจึงครอบงำแต่พอกลับมาสึกตัวเมื่อไหร่นี่นะ อารมณ์เราที่มันหายไปเลยนะอันนี้ก็ตรงอย่างที่ผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยบุคคลเมื่ออยความสึกตัวอยู่อกุศลกรรมที่เกิดขึ้นนะยอมดับไปมันดับไปเองเลยนะเพราะมันเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างอากุศลกรรมความหลงลืมหรือความลืมตัวกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กันแต่ว่าคนเราเนี่ก็บางทีก็อาจจะ โชคดีนะเพราะว่ามีเวลาที่เรามีความหลงมีความลืมตัวแล้วกำลังจะทำอะไรบางอย่างแล้วเกิดมีคนภายนอกมาทักท้วงหรือพูดให้ได้สติทำให้รู้สึกตัวทำให้ไม่ทำในสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังแต่คนเราก็ไม่ให้จะมีโชคดีแบบนี้ไปตลอดนะเพราะนั่นจะหวังว่า เ, ออเวลาเราลืมตัว แล้วจะมีคนมาเตือนมีเสียงมาทักเนี่ยมันหวังอย่างนั้นไม่ได้นะเราต้องหาทางช่วยตัวเองอย่าไปหวังพึ่งตัวช่วยเสมอไปช่วยตัวนคือทำความรู้สึกตัวของเราให้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอด้วยการสร้างสติฝึกสติของเราให้ไวให้รวดเร็วให้ทำงานฉับไวและนั่นแหละนะั่นมันจะทาให เราจะไม่เผลอตกอยูนะ่ภายใต้กายครอบงําหรือว่าการยึดครองนะของอารมณ์ต่างๆได้ะถ้าเราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวนะอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็จะมาครองใจหรือว่าผู้หยาคือมันจะมาปกครองปกครองตัวเรามนะันก่อนก็ได้พูดไปแล้วว่าเนี่ยผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยผู้ใดผู้ที่มีสติ ปกครองตนได้เนี่ยย่อมอยู่เป็นสุขนะต้องสร้างสติให้มาปกครองจิตปกครองใจเรานะพราะถ้าเราไม่สร้างสติเข้ามาปกครองจิตปกครองใจเนี่ยมันรู้สึกตัวไม่ได้หรอกนะมันมีแต่จะเมานะนะหรือหลงเมาอารมณ์นะไม่ใช่แค่เมาเหล้าเนะมายาบางทีเมาอารมณ์ ถึงแม้จะรักษาศีล5ได้ครบถ้วนเนี่ยก็ยังเมาอารมณ์ได้หรือเมาความคิดงคนเราเนี่ยเป็นทุกเพราะเมาความคิดเมาอารมณ์ทีแรกก็เมาความคิดก่อนคือมันจมหลงเข้าไปในความคิดคิดเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่เรื่องงานเรื่องการหรือว่าหัวนนึกระลึ ก, น, ก, น, ก, น, กนึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดบาดแผลที่สร้างบาดแผลในจิตใจตรงนั้นให้รู้ว่าตอนนั้นเมาแล้วนะเมาความคิดแล้วต่อหลังพอเกิดอารมณ์ขึ้นมา มีความคับแค้นมีความโกรธมีความเศร้าหดหู่มันก็กลายเป็นเมาอารมณ์เลยหลายคนเนี่ยทนไม่ได้เมาอารมณ์มันทุกข์มากก็เลยไปหาเหล้าไปหายาก็กลายเป็นว่าเมาเหล้าแท น, นพอเมาเหล้าแล้วเนี่ยอันนี้หมดเลยเนะเพราะว่ามันก็กลายเป็นวัตจักรนะพอสางจากเมาเอาสางจากเหล้านี้ก็ก็หันมาหมกมุ่นคุณ ค, คิดนะกับเรื่องที่ทำให้ตกกังวล แล้วก็เมาอารมณ์ต่อเสร็จ แ, แล้วก็หันไปหาเหล้าเมาหมายอันนี้ก็เรียกว่าลงถลำไปสู่อบายเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรานะรู้จักสร้างความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นบ้านของใจเนี่ยชีวิตเราจะปลอดภัยจิตใจเราจะเป็นสุขนะได้ง่ายก็หมั่นสร้างเอาไว้นะกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยนะ ใช้บ้านให้เป็นประโยชน์บ้านนี้มันไม่ใช่เพียงแค่เป็นที่ที่กันแดด ก, กันฝนกันขโมยกันผู้ร้ายไม่ให้มารบกวนหลังความเราเท่านั้นเนี่ยใช้บ้านในการที่จะสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวอยู่ที่บ้านก็ใช้โอกาสนะในการสร้างความรู้สึกตัวตื่นนอนขึ้นมา ตันทีที่ตื่นนอนเนี่ยก็ทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นตั้งสติไปล้างหน้าระหว่างที่ล้างหน้าเนี่ยนะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่นนะอย่าเพิ่งไปนึกว่าเดี๋ยวต้องไปเปิดโทรศัพท์มือถือไปเช็คข้อความแปรงฟันก็ให้มีสติให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวมันก็มีหลัก ง, ง่ายๆนะั้นัการเจริญสติทำความรู้สึกตัวเนี่ยคือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น ถ้าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ยนะหรือพูดภาษาแบบเป็นธรรมะนะคือว่าสติตั้งที่กายนะอันนี้พูดแบบธรรมะแต่พูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือตัวอยู่ในใจอยู่นั่นนะสติมันก็จะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวก็จะตามมาทำอะไรเนี่ยก็ให้มีความรู้สึกตัวทำอะไรก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นนะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่นวิธีนี้แหละเนี่ยที่ทาให บ้านนะที่เรารู้จักเนี่ยคือบ้านของใจเนี่ยนะมันเข้มแข็งแน่นหนามากขึ้นการมาเข้าคอร์สเนี่ยมันก็ถ้าเปรียบเมื่อการเติมน้ําในโอน่งนะบางคนน้ําก็ก็ไหลแรงบางคนน้ําก็ก็ไหลช้าแต่ว่าไม่ว่าไหลแรงไหลช้าหรือไหลอ่อนๆมันก็มีน้ําเพิ่มขึ้น ในโอ่งแต่โอ่งเนี่ยนะมันมีข้อเสียคือว่าน้ํามันรั่วซึมได้บางคนไม่ใช่แค่น้ํามันรั่วซึมเดียวแนะล้วมีรูรั่วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเติมน้ําเข้าไปเท่าไหรเนี่ยมันก็ไม่เต็มสักทีมีน้าซ้ําน้ําก็จะหมดการมาปฏิบัติเมื่อการมาเติมน้ําในโอ่งปฏิบัติในรูปแบบนะแต่ยังมีการปฏิบัติที่ไม่ต้องอาศัยรูปแบบนะก็คือการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อาบน้ำถูฟันกินข้าวกวาดบ้านล้างจานนะไอพวกนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสในการจเจริญสตทิทำความรู้สึกตัวได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยการยกมืออาศัยการาสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมเปรียบเมื่อการช่วยรักษาน้ำรักษาโอกไม่ให้รั่วไหลนะเติมน้ำเข้าไป ส่องค์มากมายเพียงใดแต่ถ้าองค์มันมีรูรั่วเนี่ยก็เสร็จนะการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็เหมือนการอุดรูรั่วหรือว่าทายายาไว้ไม่ให้น้ำมันรั่วซึมเราต้องทำสองอย่างนะมันถึงน้ำจะเต็มก็คือเติมน้ำเข้าไปอย่างต่อนเนื่องแล้วก็ป้องกันไม่ให้น้ำรั่วไหล การเจริญสติในรูปแบบคือการเติมน้นะําเปรียบง่ายๆนะคือการเติมน้ําลงไปในองค์ส่วนการเจริญสติในชีพประจําวันก็มือการรักษาน้ำไม่ให้ล่วนไหลไม่ให้ซึมออกนะบางคนอาจจะเติมน้ําเข้ามาใส่องค์ได้น้อยในช่วง6วันเจวันแต่ถ้าเรารักษาป้องกันไม่ให้น้ํำล่วนไหลหรือไหลซึมออกมานะอาจจะได้น้ําพอสมควรอาจจะมากกว่าคนที่ นะเติมน้ำในโอ่งนี่เต็มที่เลยนะแต่ว่ามีรูรั่วเยอะนะบางคนปฏิบัติดีนะในวัดที่วัดแต่พอไปที่บ้านนะหมดเนื้อหมดตัวนะลืมตัวปล่อยช่วยไปตามกระแสะความเคยชินเดิมๆมีอะไรกระทบกนะ็ส่งจิตออกนอกหรือว่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำงั้นะกลับมานะพยายาม ใช้บ้านของเราเนี่ยนะเพื่อเป็นสถานที่ในการสร้างบ้านอีกอย่างหนึ่งที่เสรดกว่านั่นคือบ้านของใจและถึงตอนนั้นเนี่ยเราอยู่บ้านเราก็จะมีความสุขนะไม่ยังเป็นต้องอ่ามาไม่ไปต้องหนีรอดมาพึ่งเย็นที่วัดก็ได้นะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ทำงานก็มีความสุขใจเย็นใจสบายอยู่บนรถนะแม้แต่เวลา เวลาประสบกับสิ่งไม่ที่ไม่เป็นที่รักพัดพลาดจากสิ่งที่รักจิตใจยังเป็นปกติได้นะเจป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยพัดพลาดสูญเสียก็เสียแต่ของนะแต่ใจไม่เสียนะเวลาแกนะก็ยังเป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีนะใครอยู่แวดล้อมก็เย็นใจสบายใจนะไม่ต้องไปที่ระบายความทุกข์นะถึงเวลาตายก็ตายอย่าง สงบนะเนี่ยพอมีความสึกตัวเนี่คอยดูแลส า, าคอยพระคับประคองใจเป็นบ้านที่ประเสริฐมากบางคนบ้านหลังใหญ่นะแต่ตายไม่สงบอนะตายไม่สงบทุรนทุรายทั้งที่บ้านก็หลังใหญ่เป็นปเป็นคฤหันแต่ถึงแม้เราจะอยู่กระต็อบนะแต่ถ้ามีความสึกตัวนี่เราก็สามารถจะตายสงบตายดีได้ ก็ฝากเอาไว้นะเาชา้านี้เอากรพากพร้อมกัน